ข้อปฏิบัติที่รู้เห็นเหตุเห็นผลทั้งหมดเหล่านี้จนประมวลได้ว่าเป็นอริยสัตว์ตัวปัญญาตัวนั้นแหละเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติสายกลางซึ่งก่อนหน้านี้เราฟังข้อปฏิบัติสายกลางมาหลายสูตรด้วยกันนะอย่างเช่นสติปัฏฐานสูตรก็เป็นข้อปฏิบัติสายกลางเหมือนกันหรือว่าเรื่องปริญญาสามก็เป็นข้อปฏิบัติสายกลางเหมือนกัน เพราะไม่เอียงไปในการมสศุขลีกานุโยกไม่เอียงไปในอัตตะกิรัมฐานุโยกไม่เอียงไปในโลภะโทสะโมหะและก็ไม่เอียงไปใน ส, สัตตะทิฏฐิไม่เอียงไปในอุเฉททิฏฐิสัสตตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเหมือนกันดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนี้แลกคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิด ทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื ings, <sh arp ina> ่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูกับมพิสูจนทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขาริยศาสตร์คือชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ดูกานพิสูจนทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจคือตันหาอันทําให้เกิดอีกตัวโลภะเนี่ยนะเป็นตัวที่ทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาภวะตันหาเวภวะตันหา ตัณหาสามไม่ขยายตรงนี้เพราะว่าเราจะเรียนโลภะมูลจิตข้างหน้าจะได้ขยายเรื่องตัณหาสามละเอียดโดยก่อนพิสูนทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมัจคือวิราคะสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันนิโรดนี้ก็คือการสละตัณหานั่นเองถ้าจะหานิพพานหาที่ไหนหาที่สละตัณหา สละตัณหาได้ตรงไหนสละได้บบเด็ดขาดเลยนะตรงนั้นแหละคือนิพพานถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาในเรื่องอริยสัจจะรู้ว่าตัณหาเกิดเกิดที่ไหนตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาถามว่าถ้าจะดับตัณหาดับที่ไหนก็ดับที่ตาอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามหาที่อื่นนะดูการพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขานิโรธาคามินีปิปฐะอริยสัจ คืออริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละสมาธิฐิสมาสังกปะสมาวาจาสมากามันตะสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิที่เหลือตอนหลังนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ทรงแสดงญานรัศนะมีสามรอบมีอาการสิบสองซึ่งก็เป็นเรื่องของอริยสัจที่พระองค์ทรงแสดงว่า การประกอบตนให้พัวพันุ์ด้วยกรมาสุขในการมทั้งหลายเป็นธรรมะอันเลวคำว่าเลวเนี่ยแล้วไม่ดีเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้เนี่ยคืออะไรก็คือการติดพันในกามมคุณทั้งห้าการที่เรามีกิเลสหมกมุ่นอยู่ในการมคุณทั้งห้าด้วยอำนาจโลภะนั่นแหละเป็นเรื่องของ กามสุขาริการุโยกขณะไหนที่เราดูทีวีเพลินเลยนะ่ะนั่นแหละคือกามสุขาริการุโยกดูหนังฟังเพลงพวกนี้ทั้งหมดแหละเรียกว่ากามสุขาริกานุโยกเป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งแต่ถามว่าไปทาให้มันทุกข์ทรมานใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกอย่าลืมนะข้อปฏิบัติสายกลางคืออะไรคือเรื่องปริญญาสามเรื่องสัมปชัญญะสี่เรื่องนั้นแหละคือข้อสายกลาง ถ้าขณะไหนไม่เป็นไปกับสติประธานสี่ไม่เป็นไปกับปริญญาสามไม่เป็นไปกับสัมปชัญญะสี่ในขณะนั้นนั้นเป็นไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นกามสุขาริการุโยกส่วนใหญ่เพราะสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะถามว่ากามสุขาริการุโยกมันไม่ดีเนี่ยที่ว่ามันเลวเนี่ยทำไมมันจึงเลว เพลินออกเนาะดูหนังฟังเพลงเนี่ยสนุกออกเพลินด้วยทําไมพระผู้ธเจ้าจึงว่าไม่ดีมันเป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งมันสุดตรงอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คิดดูที่ว่าชีวิตของคนยุคนี้เป็นชีวิตที่แสวงหากามซะส่วนใหญ่ถามว่าในการแสวงหากามเนี่ยมีกองทุกข์อยู่ด้วยไหมสีสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรถอะไรอร่อ ย, ออยสัมผัสที่ดีๆนั่นอะ่ะกว่าจะได้มาเนี่ย มันทุกข์ขนาดไหนกว่าจะได้การมาคุณทั้งห้ากว่าจะมีรถมีบ้านมีครอบครัวอย่างนั้นเนี่ยชีวิตผ่านมาอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเห็นเด็กสมัยนี้นะอายุสองขวบสามขวบนี่หิวกระเป๋าบเริ่มเลยนะสบายหลังเนี่ยขึ้นรถแนละ้วอายุสิบกว่าแล้วสี่สิบกว่าแล้วบางคนเนี่ยเป็นสี่สิบปีก็ยังไม่เลิกเรียนเรียนเพื่ออะไรก็เพื่อการมาคุณอีกนั่นแหละถามว่าเหลืออะไรบ้างอยู่ตอนนี้ที่ผ่านมาด้วยความทุกข์นั่นแหละแทบไม่เหลืออะไรเลย แล้วยิ่งคนสมัยนี้เนี่ยเครียดมากในเรื่องการเรียนอย่างพวกนักศึกษาทั้งหลายแหละเนี่ยจะทุกกับการเรียนทุกข์ยังไม่พอพอเรียนจบมาสมัครงานอกีกกว่าจะหางานได้ก็ทุกเกี่ยวกับการงานอกีกทุกในช่วงการงานนี้ก็ถือว่าทำเนาทุกในขณะที่ทำงานในพระสูตรนี้พระองค์กล่าวถึงชีวิตตอนที่มีความทุกข์ในขณะที่ทำงานโดยการพ่สูจนทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้ คือบางคนนี่ก็พูดถึงว่าตายคางงานอ่ะนะแต่อีกคนหนึ่งทํางานแล้วไม่ยักตายใไหมเขาพยายามอยู่อย่างนี้โผคะเหล่านั้นไม่สําเร็จผลกําลังประกอบอาชีพธุรกิจการงานไปอย่างดีเลยเกิดล่มจมนะยุคมันคล้ายๆกับเหมือนกับยุคไอเมอนี่แหละกําลังดูเหมือนจะไปดีเลยตามเหล่านั้นไม่สําเร็จผลใช่ไหมโผคะดูเหมือนจะได้อ่ะโยบเลยบ้านจาัดสรรเนี่ยล้างกแทบไปหมดเอง เขาย่อมเศร้าโศกลำบากลําพันธตีอกขําครวญถึงความหลงเลือนว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอะโอ้ยที่ทำทำมาเนี่ยศูนย์โยปนาอย่างว่างไม่เหลือแม้แต่สตังเดียวเลยความพยายามของเราไม่มีผลหนอดูกรพิสูจน์ทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของตามทั้งหลายนนเป็นกองทุกข์ที่เห็นเห็นกันอยู่มีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบงังคับเกิดเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลาย ดูการพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โพคะเหล่านั้นสำเร็จผลม า, มากินจนร่ำรวยถามว่าดีนะดีนะตอนรวยนี่ดีเขากลับเสวยทุกโทมนับที่มีการคอยรักษาโพคะเหล่านั้นก็คือมาทุกข์กับการรักษาทรัพย์ที่ได้มาอีกเพราะว่าโพคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทาอย่างไรพระราชาจะไม่พึงริบโคะเหล่านั้นไปได้ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยกลัวพระราชาจะมายึดเอานะหรือพวกโจรเนี่ยพึงปล้นไปไม่ได้ไฟไม่พึงไหม้น้ําไม่พึงพัดสุดอีกอย่างหนึ่งเขบอกทายาทอับ ป, ปีไม่พึงนําไปได้แต่ทีนี้เมื่อเขาคอยห่วงเป็นทุกข์เป็นยัยอยู่อย่างนั้นเมื่อกุลบุตรเหล่านั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายก็เ็ตโพคะเหล่านั้นไปเสียก็ดีโจรปล้นเอาไปเสียก็ดีไฟไหม้เสียก็ดี เหมือนก็นตึกใหญ่ๆนะทําตึกได้ใหญ่ดีไฟเกิดไหม้เฉยงั้นนี่น้ำพัดไปเสียก็ดีน้ําท่วมเลยทายาทอับปีนําไปเสียก็ดีลูกโอ้โหกว่าจะหารถมาได้คำหนึ่งลูกยืมไปพักเดียวกลับมานเ น, <c oughs> นี่ยเจ๊งหมดแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลําบาการำพันตีอกอคร่ําครวนถึงความหลงเลือนว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรา <c oughs> บอกอิงก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> เป็นทุกข์ ที่คอยรักษาคอยดูแลคอยวิตกกังวลเหมือนกับพ่อแม่บางคนเนี่ยทางต่างจังหวัดนะซื้อรถเครื่องให้ลูกอย่างนี้เสร็จก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วได้ยินเสียงปัามไปอีกแล้วจะไปยังไงนะพอเดี๋ยวพวกบ้านโนนก็แขนหักขาหักหน้าถลอกปอกเปิ่งมาขากุดแขนด้วนมาเรื่อยให้เห็นน่ะนะพอได้ยินเสียงแ บ, แ บ, แบตบิดมอเตอร์ไซค์ของลูกเคพ่อแม่เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็นอนไม่ค่อยหลับแต่แล้วพ่อแม่เหล่านี้หลายคนมีลูกที่ติดยาเสพติด แต่และวก็มาทุกข์กับลูกแล้วค่ะ น, นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างปัญหาตามมาเยอะแยะในติดยาเสพติดบางคนก็ถูกจับถูกจับพ่อแม่ก็โอ้ยขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่นั่นแหละกับลูกคนเดียวนั่นแหละก็ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะกามนั่นแหละเป็นเหตุกามนั่นแหละเป็นต้นเขาทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกามนั่นแหละดูกรณีศูนย์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับ เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแหลแม้พระราชาทั้งหลายก็วิวาสกันกับพระราชาพระราชาเมืองนี้ก็ทะเลาะกับเมืองนู้นแม้กษัตริย์ก็วิวาสกันกับพวกกษัตริย์กษัตริย์คนนี้จะขึ้นครองราชคนนั้นไม่ได้ขึ้นครองราชเค่นข้ากันอยู่นั่นทะเลาะเบาะแวงแม้พราหม์ก็วิวาสกันกับพวกพราหมณ์แม้เครืหาบาดีก็วิวาสกันกับพวกเครืหาบาดีแม้แม่ก็วิวาสกับบุตรเพราะเรื่องกามเนี่ย สมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมีมรดกเยอะใช่ไหมพ่อนี่แสวงหามรดกไว้เยอะอะแม่กับลูกก็จะแย่งกันตัดสินใจกันไม่ถูกก็ขึ้นโรงขึ้นศาลระหว่างแม่กับลูกนั่นแหละทีฟ้องกันเลยเนี่ยแม่บุตรก็วิวาทกับมารดาแม่บิดาก็วิวาทกันกับบุตรแม่บุตรก็วิวาดกันกับบิดาแม้พี่ชายก็วิวาทกันกับน้องชายก็เพราะเรื่องตามนั่นแหละแม้พี่ชายก็วิวาทกันกับน้องสาวแม่น้องสาวก็วิวาทกันกับ พี่ชายก็ทะเลาะกันอยู่นั้นชนเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่นั้นๆทําร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสาสตราบ้างโดยความพิสูุทั้งหลายแม้เหล่านี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้ก็เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นโดยกวามพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้น เขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายฝูงชนต่างถือดาบแล่โล่สอดแล่งธนูวิ่งเข้าสู่สงครามแล้วก็ประทะกันทั้งสองฝ่ายเมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้างหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถึงลูกศรแทงเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศีรษะเอาเสียบ้างในที่นั้น ก็พากันตายไปตรงนั้นบ้างทุกบางตายบ้างดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นคล้ายกับหมู่บ้านคนพิการที่ว่าทหารผ่านศึกพิพิการทั้งหลายแหละก็มาจากสงครามเหล่านี้นั่นแหละก็ศึกแย่งกามอีกนั่นแหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกางเป็นต้นเขามีกางเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลาย ฟูงชนถือดาบและโล่สอดแหล่งธนูตูการเข้าฉูเชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกัดแกงบ้างชนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้างถูกหอกแทงบ้างถูกรถด้วยโคมไมร้อนบ้างถูกสับด้วยคลาดบ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในที่นั้นก็พากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูก่อนพิสูจทั้งหลาย แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายทั้งนั้นทีนี้ก็ยังมีบอกว่าเพราะกามอีกนั่นแหละก็ทำให้คนเนี่ยบางคนเนี่ยประพฤติทุจริตด้วยกายอย่างข้อความในอัตตะทันตะสุตานิเทศที่สิบ้าเนี่ยนะกล่าวว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดที่ต่อบ้างปล้นทุกหลังคาเรือนบ้างปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวบ้างดักแย่งชิงอยู่ที่หนทางเปลี่ยวบ้างคบชู้ภรยาแห่งชายอื่นบ้างพูดเท็จบ้างถ้าหากว่าทําชั่วอย่างนี้แล้วทํายังไง ร, ราชบุรุษก็จับบุรุษนั้นได้แล้วก็ทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะบุรุษผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่ว พระองค์จงลงอาทยาที่ทรงประสงค์แก่บุรุษนี้เถิดจับไต่ฟ้องศาลนั่นเองศาลจะว่ายังไงสมัยก่อนนี้ไม่ใช่ศาลเนะี่ยพระราชาลุยเองเลยบอกว่าพระราชาก็ทรงตวาดบริภาดด่าคนนั้น ร, ราชาเนี่ยด่าคูตะคอกองมาเลยคนนั้นก็ต้องเสเวยทุกโทมนัตแม้เพราะเหตุที่ถูกบริภาดถูกด่าอย่างรุนแรงอะนะทุกโทมนัตนั้นก็เป็นภัยของคนนั้น เกิดแต่อะไรภัยนั้นเกิดบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแต่อาจยาของตนพระราชาก็ยังไม่พอพระไทยแม้ด้วยการบริภาทเท่านี้แค่ดายังไม่พอรับย่อมรับสั่งให้จองจำคนนั้นด้วยเครื่องจองจำคือคือขาบ้างด้วยเครื่องจองจำคือเชือกบ้าง โดยเครื่องจองจําคือโซ่ตรวนบ้างเดินเข้าไปในคุกแดนหนึ่งแดนสองไม่ลากเขกขักเขขัดไปครับโยเครื่องจองจําคือหวายบ้างบางคนก็หวายที่ไม่ได้เหล่านั่นแหละมีทั้งน้ำํำนั่นแหละก็หวดเข้าไปนะถ้าเป็นแบบชีวิตแบบเหมือนทาสสมัยก่อนเนี่ยทำผิดเนี่ยหวดเข้าไปฉับนึ่งเขาไปเนี่ยเนื้อโอ้โหเนี่ยหลุดเลยตักน้ํารดไปแล้วก็มาเคี่ยนต่ออีก บางทีก็จองจําด้วยเครื่องจองจําคือถาวัรบ้างบางทีก็จองจําด้วยเครื่องจองจําคือการควบคุมบ้างก็เข้าคุกมาเนอะบางทีก็ด้วยเครื่องจองจําคือเครื่องล้อมบ้างด้วยเครื่องจองจําคือบ้านบ้างด้วยเครื่องจองจําคือนครบ้างด้วยเครื่องจองจําคือแว่นแขวนบ้างด้วยเครื่องจองจําคือชนบทบ้างโดยที่สุดทรงสั่งบังคับว่ามันจะหนีจากสถานที่จํานี้ไปไม่ได้ คนนั้นก็ต้องเสวยทุกโทมนัสเพราะเหตุแห่งการจองจํานั้นทุกโทมนัสนั้นเป็นภัยของคนนั้นเกิดแต่อะไรภัยนั้นเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแต่อาทยาของตนแต่พระราชาก็ยังไม่พอพระไถยด้วยการจองจํานั้นรับสั่งให้ริบทรัพย์ของคนนั้นร้อยหนึ่งบ้างปรับมาณพันหนึ่งบ้างแสนหนึ่งบ้างคนนั้นก็ต้องเสวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์ นันทุกโทมนัดนั้นก็เป็นภัยของคนนั้นเกิดแต่อะไรภัยเหล่านั้นก็เกิดแต่อัจฉริยของตนพระราชายังไม่พอพิถายด้วยการริบทรัพย์เท่านั้นย่อมรับสั่งให้ทํากรรมก ร, รต่างๆกระคนนั้นกรรมกรนี้ก็แปลว่าการลงโทษ ด, ด้วยวิธีการต่างๆก็คือให้เคียนด้วยแสบบ้างเคียนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างม้เนี่ยตีสั่งให้ตัดมือบ้างอย่างแถวประเทศตะวันออกกลางเนี่ยนะไปรักทรัพย์นี่ก็ยังถูก ตัดมือตัดขาอยู่บางคนก็ตัดมือตัดเท้าบางคนก็ตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าเลยแล้วก็ตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูตัดทั้งจมูกบ้างบางคนก็วางก้อนเหล็กแดงเนี่ยบนศีรษะบ้างก็คือบางคนก็ถลกหนังศีรษะออกแล้วก็ขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างก็โหลกขัดมันเลยนะมันแผลบเต่เป็นๆนะบางทีก็ ใส่ไฟเนี่ยลุกพลงเข้าไปในปากจนเลือดไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบ้างไฟเนี่ยยัดเข้าไป น, นะตอนร้อนพันตัวชุบด้วยผ้าน้ํามันเผาทั้งเป็นบ้างคล้ายๆกับฮนุมานอย่างนั้นเลยเนาะแต่นี้มันไม่หันุมานแล้วมาพันแล้วก็ชุบน้ํามันก็เผาสดๆนั่นแหละทาลุนทุกวันนี้ก็เหมือนกันบางทีสงครามแบบสงครามสมัยก่อนเนี่ยจับพวกเฉลยได้อะไรได้ก็ ทำร้ายกันแบบนี้นั่นแหละบางทีก็พันมือด้วยผ้าชุบน้ํามันแล้วก็จุดไฟให้ลุกเหมือนประทีปบ้างนะเอามือเนี่ยมาทําเป็นด้ามประทีปจุดไฟเผาโอมทรมานขนาดไหนนะขนาดน้ํามันทอดอะไรนิดหน่อยกระเด็นใส่แขนโหนก็ยังแสบขนาดนะชุบผ้าน้ํามันเนี่ยมาชุบมือพันเผาอย่างเงี้ย หรือบางทีก็ถลกหนังตั้งแต่คอลงมาถึงข้อเท้าลากให้เดินเหยียบหนังนั้นจมล้มลงบ้านคล้ายๆเคยใครเคยเห็นเขาถลกหนังกบอ่ะถลกหนังกบก็ก็ไม่ให้มันพ้นขาใช่ไหมให้ก็ถลกแล้วก็ให้เดินปล่อยให้เดินก็เหยียบหนังด้วยเองเนี่ยเหยียบแล้วก็ล้มแผลล้มแผะไปนั่นแหละถลกหนังตั้งแต่คอลงมาจนถึงบั้นเอวให้เป็นเหมือนดังนุ่งผ้าคากรองบ้าง สวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าทั้งหมดแล้วก็เสียบหลาทั้งสี่ทิศตั้งเอาไว้เผาไฟบ้างเอาเบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเอามีดเฉือนเนื้อออกมาเป็นแว่นๆดังเรียนกระสา บ, บ้างก็นึกถึงนางมาคันธยาใช่ไหมมาเหสีของพระเจ้าอุเทนเนี่ยสั่งให้มัดแล้วก็สั่งทอดน้ำมันเลยทอน้มันเสร็จก็ให้เฉือนเอาเนื้อของนางพระนางมาคันธยาเนี่ยไปทอดทีละ ทีละชิ้นทีละชิ้นท่อดเสร็จก็ให้นางมาคันธยานั่ยแหละกินกินแล้วก็ไปทอดก็หั่นไปทอดทอดแล้วก็หั่นให้กินตัวเองกินอยู่นั่นแหละไม่กินก็ยัดเข้าไปก็ <c oughs> ไม่ตายอ่ะแค่เกือบตายเฉยๆนั่นแหละทีนี้ญาติของพระนางมาคันธยานี่พระเจ้าอุเทนเนี่ยสั่งให้ขุดหลุมเนี่ยฝังเสมอเอวหมดเลยทุกคนเนี่ยฝังเสมอเอวหมดแล้วเ อ, เ, อเอาฟางเนี่ยนะมากลบกรบบกรบแล้วก็จุดไฟเผาพอมันติดได้ที่แล้วก็เอา ไถเนี่ยมาไถคาดในสนามหลวงอะนพะพนางมาคันธียานี่พิเศษหน่อยก็กค่อยเฉือนเอาไปทอดทั้งเป็นๆ น, นั่นแหละเฉือนไปทอดแล้วก็กินเองอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็เฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือแต่กระดูกบ้างแทงหลาวเหล็กที่ช่องหูจนทะลุถึงกันแล้วก็เสียบติดดินแล้วก็จับหมุนไปโดยรอบบ้างคใครเล่นกังหันเนี่ยนะเหมือนนาฬิกานนเน่ะ ทุบให้กระดูกละเอียดแล้วก็ถลกหนังออกเหลือแต่กองเนื้อดังต่างใบไม้บ้างทุบให้มันละเอียดนะถลกหนังออกไงเอาน้ำมันเบื่ดพลานราดไปบนตัวบ้างชุบแป่งทอดต่อนะบทีก็ให้สุนัขเนี่ยกัดกินทั้งเป็นจนเหลือแต่กระดูกเสียบบ้างเสียบเหลายกขึ้นนอนหงายทั้งเป็นบ้างเอาดาบตัดศีรษะบ้างคนนั้นก็ต้องเสวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งกรรมกร ทุกโทมนัสนั้นก็เป็นภัยของคนนั้นเกิดแต่อะไรภายนั้นเกิดบังเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะเกิดแต่อาทยาของตนเกิดแต่ความผิดของตัวเองนั่นแหละที่ไปทำผิดใช่ไหมไปทำชั่วไปปล้นไปผิดลูกผิดมีอะไรเขาจนถึงกับถูกเขาลงโทษมากมายขนาดนี้พระราชาเป็นใหญ่ในอาทยาสี่อย่างเหล่านี้คนนั้นเมื่อตายไปแล้วใช่ไหม ไอ้ชาตินี้เนี่ย ท, ทําบาปทํากรรมถูกเขาจับไปทําทุกทรมานก็ยังไม่พอเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมของตนโอ้ยทุกขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้วนะยังต่ออีกนะมีคนมารับช่วงต่อไปอีกนายนิรยบาลญาติญาติแล้วนะ่ะเขาทําให้กรรมกรอันมีเครื่องจองจำห้ากับสัตว์นั้นคือให้สัตว์นั้นนอนหงายจับเหมือนกับนอนหงายแผ่ เอาเหลาเหล็กแดงเนี่ยตรึงไว้ที่มือขวาข้างหนึ่งที่มือซ้ายข้างหนึ่งนอนงายแล้วก็เอาตะปูตะปูนะเสียบติดพื้นเนี่ย อ, อที่มือที่มือขวามือซ้ายเท้าวขวาเท้าซ้ายแล้วก็ทิมอีกทีหนึ่งก็ที่กลางอกอะ่ะสัตว์นั้นได้สวยทุกขเวทนาแสบร้อนร้ายแรงในนรกนั้นแต่ก็ยังไม่ตายนะตลอดเวลาที่บา ป, ปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดทุกโทมนัทนั้น เป็นภัยของสัตว์นั้นเกิดแต่อะไรภัยนั้นเกิดบังเกิดเกิดเฉพาะปรากฏแต่อัจยาของตนนายนรยาบาลให้สัตว์นั้นเนี่ยนอนลงเอาผึงเนี่ยถากผึงก็คือเหมือนพวกขวานคล้ายๆจอบนะให้นอนลงแล้วก็ถากเหมือนถากยางนั่นสัต์นั้นได้เสวยทุกขเวทนาแสบร้อนร้ายแรงในนรกนั้นแต่ก็ยังไม่ตายตราบเท่าเวลาที่บาปรกรรมยังไม่สิ้นสุด คล้ายๆแล้วถูกผาตัดอย่างนั้นนะสําหลกพวกนายนรยาบาลเนี่ยจับสัตว์นั้นเอาเท้าชี้ขึ้นข้างบนเอาหัวห้อยลงข้างล่างเคยเห็นเขาแขวนขา ว, วัวไหมพี่ก็คล้ายๆกันนะั่นแหละแขวนขา ว, วขัวที่พี่ตลาดอะนะแล้วก็เอาหัวนี่ห้อยลงข้างล่างจับขาแขวนแล้วก็ค่อยๆแล่ลงมาแบบเป็นๆอะนะขาวัวที่แขวนในตลาดหัวตายใช่ไหมแต่นี่มันคนสัตว์นรกเป็นๆนั่นแหละ แขวนเท้าแล้วก็แล่ค่อยๆหันเฉือนลงมาถลกออกมาเรื่อยหรือบางทีก็เทียมสัตว์นั้นเข้าไปที่รถเหมือนกับรถมา้างั้นน่ะนะแต่ว่าเป็นสัตว์อะให้วิ่งไปข้างหน้าบ้างให้วิ่งกลับมาข้างหลังบ้างวิ่งธรรมดาก็ค่อยยังชั่วบนแผ่นดินที่ไฟติดทั่วมีไฟลุกพลงโอ้ไม่มีธุระไม่ไปเลยนะเนี่ย